การบําเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อทําใจให้สงบนี้ผู้บําเพ็ญผู้ปฏิบัติมักจะต้องพบกับอุปสรรคที่คอยขวางกั้นไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อุปสรรคที่ขวางกั้นการเข้าสู่ความสงบของจิต นี้มีอยู่ห้าประการด้วยกันเรียกว่านิวรณ์ห้าผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความสงบควรศึกษาทำความรู้จักกับนิวรณ์ทั้งห้านี้และศึกษาวิธีที่จะแก้หรือทำลายอุปสรรคเหล่านี้ ให้หมดไปเพื่อใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้นิวอนห้านี้มีดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ดีในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี ในพระอริยสงสาวกดีไม่มีความมั่นใจไม่แน่ใจว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้ว่าเป็นผู้ที่จะสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและได้ผลได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือความโกรธ เวลาปฏิบัตินี้บางครั้งก็อาจจะเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาก็ได้ก็ต้องรู้จักวิธีที่จะระ ง, งับความโกรธข้อที่สามก็คือความง่วงเหงาเหานอนเวลานั่งแล้วมักจะหลับกันนั่งสับประงก เรือง่วงนอนไม่อยากจะนอน่งอยากจะนอนเสียมากกว่าข้อที่สี่ก็คือความฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งคิดแบบไม่หยุดไม่ย่อนยิ่งคิดก็ยิ่งอยากจะคิดเรียกว่าความฟุ้งซ่านและข้อที่ห้าก็คือ กามฉันทะความยินดีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือนิวรณห้าประการหรืออุปสรรคที่จะกันไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ผู้ที่บำเพ็ญจึงจำเป็นจะต้องศึกษาวิธี แก้หรือทำลายอุปสรรคเหล่านี้ไปเวลาที่มันเกิดขึ้นมาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ความจริงของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนและของพระอริยสงสาร ว, ว่าพระพุทธเจ้า เป็นผู้ตัดสู้ด้วยตนเองจริงหรือไมอ่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะสามารถให้ผู้ปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้จริงหรือไม่และพระอริยสงสาวกผู้ที่สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงหรือไม่ เหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราเป็นผู้นําทางเป็นผู้สั่งสอนให้เราได้มีความรู้ที่จะนําเอาไปปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานได้หรือไม่ถ้าเราได้ศึกษาพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเราก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจที่ดีขึ้นและจะทำให้เรามีความมั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ ทั้งในอดีตและในปัจจุบันและเป็นผู้ที่จะสามารถที่จะนำพาการปฏิบัติของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราเกิดความสงสัยในธทมข้อไหนขั้นใดเราก็ต้องค้นคว้าหาความหาคำตอบจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ะดี จากคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ดีหรือจากการไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมไปสอบถามปัญหาจากท่านโดยตรงก็ดีการกระทำเหล่านี้จะทำให้ความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยต่างๆนั้นหมดไปได้อย่างเช่นการมาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้เป็นต้น หนึ่งในอันที่สองของการฟังเทศฟังธรรมก็คือจะช่วยกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้นี่คือการแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งคือความไม่มั่นใจไม่แน่ใจหรือความสงสัยในข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งบทใดบทหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเองก็ดีเรื่องของพระอริยสงสาวุปก็ดีเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาจากผู้รู้การศึกษาท่านก็ส่งสอนไว้ในเรื่องของการลมัสูตรการลมั่สูตรนี้ท่านสอนว่าไม่ให้เชื่อถึงแม้ว่าเขาจะรเขาจะเชื่อกันมาเป็นทอดทอด ไม่ให้เชื่อว่าท่านเป็นอาจารย์ของเราคือท่านที่ไม่ให้เชื่อนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ให้ฟังให้ฟังให้ศึกษาไม่ว่าใครก็ตามจะมาพูดจะมาสอนจะมาบอกจะมาบอกอะไรละเราก็ฟังรับฟังไว้แต่อย่าเพิ่งไปเชื่อให้เราไปพิสูจน์ดูก่อน ว่าสิ่งที่เขาบอกเรานี้จะเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่ถ้านำเอาไปพิสูจน์แล้วได้ผลหรือว่ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็นำเอามาปฏิบัติต่อแต่ถ้าเราเอามาพิสูจน์แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดไว้เราก็ไม่ต้องเอามา ปฏิบัติให้เสียเวลาถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลนี่คือเรื่องของการศึกษาการฟังเราต้องฟังแบบฟังหูไว้หูก่อนอย่าเป็นแบบกระตายตื่นตูมพอใครพูดอะไรปรั๊บเรายังไม่ทันเห็นเลยก็เชื่อไปก่อนแนละ้วแล้วพอต่อมา ความจริงปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็ได้ดังนั้นถึงแม้ ว, ว่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราก็ตามหรือมีคนเชื่อกันตามมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เราก็อย่าเพิ่งไปสรุปฟังหูไว้หูก่อนเราจะต้องไปเห็นกับตาของเราอย่างที่เมื่อวานได้พูดไว้ว่าสิบปากว่า ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นฟังได้แต่ขอให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปพิสูจน์ก่อนถึงจะเชื่อได้อย่างเต็มที่ถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาพูดกันก็ได้นิวรณข้อที่สองก็คือความโกรธเวลาที่เราจะต้องควบคุมใจทำใจให้สงบนี้ เราจะรู้สึกว่าใจนี้จะโกรธง่ายเวลาใครทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยใครพูดอะไรนิดใครทำอะไรหน่อยนี้จะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาทันที เ, เราต้องรีบระงับอารมณ์โกรดนี้ให้เห็นโทษของอารมณ์อย่าไปเห็นโทษของผู้ที่เขาทำให้เราเกิดความโกรธขึ้นมา ผู้ที่เขาทำให้เราเกิดความโกรธนี้เราไปแก้ไม่ได้เราไปสั่งเขาไปบอกเขาไม่ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้เสมอไปบางเวลาเราก็อาจจะบอกเขาได้แต่บางเวลาเราก็อาจจะบอกเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมาห้ามความโกรธของเรา ให้เห็นโทษว่าอยู่ที่ความโกรธไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่ทำให้โกรธเช่นไฟความโกรธนี้เหมือนไฟเวลาไฟลุกแล้วเราอย่าไปค้นหาว่าใครเป็นคนมาจุดไฟหรืออย่าไปไปว่าไปขอร้องเขาว่าอย่ามาจุดไฟเราต้องรีบมาดับไฟที่กำลังไหม้อยู่ความโกรธนี้เป็นเหมือนไฟเผาใจของเรา จะทำให้ใจของเรานี่วุ่นวายขึ้นมาจะทำให้ใจของเรานี่ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เราจึงต้องใช้วิธีการต่างๆก็คือใช้ธรรมะซึ่งเป็นเหมือนน้ำดับไฟของความโกรธนี้ให้หมดไปธรรมะก็มีหลายวิธีวิธีอย่างที่พูดนี้ก็คือปัญญาคือให้พิจารณาว่าสิ่งที่ ทำให้เราโกรธหรือบุคคลที่ทำให้เราโกรดนี้เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามได้เสมอบางเวลาอาจจะสั่งจะห้ามได้แต่บางเวลาอาจจะสั่งอาจจะห้ามไม่ได้ดังนั้นเราอย่าไปแก้ตรงบุคคลหรือสิ่งที่ทำให้เราโกรธ เราต้องมาแก้ที่ความโกรธวิธีที่จะแก้วความโกรธก็คือต้องยอมรับความจริงของสิ่งหรือบุคคลที่ทำให้เราเกิดอย่าไปาไปแก้ที่ตรงนั้นยิ่งจะทำให้เราโกรธมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ได้ไม่สามารถที่จะไปห้ามไปพูดไปบอกเขาได้ให้เรามาแก้ที่ความโกรธนี้ ด้วยสติพอมีสติรู้ว่าโกรธเราก็พยายามบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนหรือสิ่งที่ทาให้เราโกรธ ถ, ถ้าเราไม่ไปคิดถึงคนหรือสิ่งที่ทาให้เราโกรธเราอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวความโกรธนั้นก็จะมางับดับไปเองหรือเราจะใช้หลัก ของการไม่จองเวรก็ได้ให้อภัยคิดเสียว่าเป็นการใช้เวรเก่าไปใครเขามาทําร้ายเราทําลายเราทําให้เราต้องเกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้คิดว่าเราคงไปเคยเคยไปทําให้เขาโกรธแค้ น, นโกรธเกืองมาก่อนเขาจึงต้องมาทํากับเราก็คิดว่าเป็นวิบากกรรม เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของเวรกรรมซึ่งการจะระงับเวรนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรก็คือด้วยการตอบโต้กันเขาด่าเราเราด่าเขาเขาตีเราเราตีเขาฟันต่อฟันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะหยุดเวรหยุดกรรมเพราะถ้า เขาทำเราแล้วเราไปทําเขาเขาก็จะต้องกลับมาทาเราอีกทากันไปทํากันมาจนถึงกับฆ่ากันตายฆ่ากันตายก็ยังไม่หมดไปเกิดพบหน้าชาติหน้าถ้าไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะจองเวรจองกรรมกันอีกถ้าต้องการที่จะระ ง, งับเวรระงับกรรมให้มันหมดไปก็ต้องให้อภัยยอมแพ้ ท่านเรียกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารให้เรายอมแพ้แล้วเราจะเป็นผู้ชนะคือเราจะชนะความโกรธ ด, ด้วยการยอมแพ้บุคคลที่ทำให้เราโกรธพอเรายอมแพ้เราไม่ไปตอบโต้ยอมหยุดพอยอมแล้วก็จะหยุดไม่ไปตอบโต้พอเราหยุดไม่ตอบโต้ใจของเราก็จะเย็นขึ้นมา ใจของเราก็จะกลับมาสู่ความปกติแล้วก็จะทำให้เราสามารถนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปจนจนเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ก็เป็นการแก้อุปสรรคนิวร์ชนิดที่สองที่เรียกว่าความโกรธ นิวรชนิดที่สามคือความง่วงเหงาหานอนอันนี้ก็ต้องแก้ด้วยวิธีการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่ควรรับประทานอาหารมากจนเกินไปเพราะเวลารับประทานมากๆแล้วหนังท้องจะตึงหนังตาจะหย่อนก็จะ ว่วงเวลานั่งจะทำสมาธินี้จะหาวแล้วก็จะอยากนอนมากกว่าที่อยากจะนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกผู้บำเพ็ญจิตตภาวนานี้จึงมักจะต้องรักษาศีลแปดกันเพราะหนึ่งในข้อหนึ่งในศีลแปก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ถ้าเรายังรับประทานอาหารเย็นอยู่เราจะไม่สามารถภาวนาในช่วงบ่ายได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวคิดถึงเรื่องการรับประทานอาหารกันแล้วเราก็จะต้องเสียเวลาต้องรอให้อาหารที่เรารับประทานนี้ย่อยหมดไปก่อนถึงจะคลายความง่วงเหงาหาวนอนได้ เวลาที่เราจะมาใช้ในการบาเพ็ญก็จะมีไม่มากแต่ถ้าเรารับประทานอาหารไม่รับหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอช่วงบ่ายอาหารที่เรารับประทานมันก็จะย่อยหมดไปแล้วเราก็จะสามารถบาเพ็ญตั้งแต่บา่บายไปได้โดยไม่ต้องมาพบกับปัญหาของเรื่องของความง่วงเหงาหงานอนถ้ารับประทานอาหารเย็น กว่าจะหมดก็เข้าสู่เวลาค่ำเวลาคืนถึงเวลานั้นก็อยากจะนอนการภาวนาก็จะไม่สามารถเป็นไปได้ผลดังที่ปรารถนาเพราะจะเจอกับอุปสรรคของการง่วงเหงาหงนอนก็จำเป็นที่อย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นก็ต้องถือศีลแปดถ้าเราไม่เคยอดข้าวเย็นก็ต้องมาเปึกหัดอดข้าวเย็นกัน แล้วถ้าเราถือสินป่ได้แล้วโอดข้าวเย็ยนได้แล้วเรายังรู้สึกว่ามันยังง่วงอยู่ก็ต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปแทนที่จะรับประทานสองมื้อเช้ากับกลางวันก็อาจจะเอามื้อเดียวจะเป็นมื้อเช้าหรือเป็นมื้อกลางวันก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมะถึงแม้จะเป็นมื้อเดียวก็ต้องรับประทานพอประมาณ และพอให้ร่างกายนี้อยู่ได้ไม่ขาดแคลนสารอาหารต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติก็รับประทานพอประมาณพอรู้สึกว่าจะอิ่มก็ให้หยุดท่านสอนอย่างนี้แล้วก็ให้ดื่มน้ำเข้าไปแทนเพื่อที่จะได้ทำให้ไม่อิ่มมากจนเกินไป หรือถ้าเรารับประทานมื้อเดียวแล้วก็ยังรู้สึกง่วงเหงาเหานอนอยู่เราก็อาจจะต้ององดรับประทานอาหารเป็นวันๆไปอดอาหารไปอาจจะทาแบบวันสลับวันไปก็ได้วันนี้รับประทานพรุ่งนี้ไม่รับประทานรับประทานวันเว้นวันไปถ้าภาวนาแล้วได้ผลดีอยากการอดอาหาร ก็อาจจะเพิ่มการอดเป็นสองวันเป็นสามวันบ้างก็ได้เพราะว่าเวลาอดอาหารนี้มันจะบังคับให้เราต้องภาวนากันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ควบคุมใจด้วยสติใจจะคิดถึงอาหารแล้วก็จะเกิดความหิวเกิดความทรมานใจขึ้นมาเพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ ความหิวส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความหิวที่ร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยเมื่อเปรียบเทียบกับความหิวทางใจเป็นส่วนใหญ่ความหิวทางใจก็เกิดจากความอยากรับประทานอาหารการเกิดความอยากรับประทานอาหารก็เพราะว่าไม่ควบคุมความคิดปรุงแต่งปล่อยให้ใจคิดไป คิดไปถึงเรื่องอาหารอยู่อย่างเดียวก็ทำให้เกิดความอยากรับประทานอาหารขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผู้ที่อดอาหารจึงจาเป็นจะต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอาหารให้อยู่กับคมบริกรมพุทโธพุทโธรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่ ทำภารกิจการงานต่างๆเวลาที่มานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะใช้กรรมฐานแบบอื่นก็ได้ซึ่งมีอยู่สี่สิบวิธีด้วยกันวิธีไหนก็ได้ที่ถ้านั่งแล้วถ้าใช้แล้วทำให้ใจสงบได้บางท่านอาจจะต้องใช้การพิจารณา อาหาเลยปฏิกูลละสัญญาถ้าใช้แบบนี้เรียกว่าใช้ปัญญาแทนที่จะใช้สติใช้ปัญญาได้ยิ่งดีเพราะว่าจะเป็นการกำจัดความอยากในการรับประทานาหารได้อย่างถาวรนผู้ที่มีอาหาเลยปฏิกูละสัญญาแล้วเวลารับประทานอาหารนี้จะไม่ได้รับประทานอาหารด้วยความอยากเลย แต่จะรับประทานอาหารด้วยความจำเป็นเหมือนกับการรับประทานยาจะรับประทานเฉพาะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นนอกเวลานั้นจะไม่มีความอยากรับประทานอาหารเลยเพราะจะมีอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี้มาคอยระ ง, งับความอยากรับประทานอาหารอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็คือ ให้มองการแปลสภาพของอาหารที่น่ารับประทานที่ตั้งอยู่ในจานนั้นไว้ให้เห็นว่ามันแปลรูปไปอย่างไรจากจานไปสู่ปากจากปากไปสู่ท้องจากท้องไปสู่ทวารหนักจากทวารหนักออกไปสู่อ่วมที่ทายอุจจาระเ อุจจระนี่แหละก็คืออาหารที่อยู่ในจานที่ถูกแปลรูปแปลสภาพไปจากการที่เอาเข้าไปขบเคี้ยวในปากแล้วกลืนเข้าไปในท้องแล้วก็ย่อยไปตามลำไส้แล้วก็ออกมาจากทางทวารนะถ้าพิจารณาการเดินทางการแปลสภาพของอาหารต่อไปนี้ ต่อไปจะไม่มีความอยากจะรับประทานอาหารแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าไปพิจารณามากจนถึงขั้นรับประทานอาหารไม่ลงการพิจารณานี้เพื่อระับความอยากรับประทานเวลาที่ เ, เวลาที่ไม่ได้รับประทานหรือเวลาที่กําลังจะรับประทานเวลาหรือขณะที่กําลังรับประทาน ถ้ารับประทานด้วยความอยากด้วยความอร่อยอร่อยด้วยความสุขก็ต้องใช้อาะไรปฏิกินลสัญญานี้มาระงักไว้ให้รับประทานด้วยความจําใจเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานยาเรารับประทานยานี้เราจะไม่ได้รับประทานด้วยความอยากรับประทานหรือด้วยความสุขเรารับประทานเพราะว่ามันต้องรับประทาน ไม่เช่นนั้นโครคภัยไข้เจ็บจะไม่หายการรับประทานอาหารก็เพื่อเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บของความหิวของร่างกายนี้เองความหิวของร่างกายนี้ก็ถือว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บแบบหนึ่งและการรับประทานอาหารนี้ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยาแบบหนึ่งปัญยาที่จะมาเยียวยาความหิวของร่างกายให้หายไป นี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาคือนิวรนที่เกิดจากความง่วงเหงาหานอนต้องรับประทานพอประมาณอย่ารับประทานมากจนเกินไปรับประทานเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อรับประทานถ้าอยู่เพื่อรับประทานก็อยู่เพื่ออยู่เพื่อกิเลส ต, ตัณหานี่เอง การภาวนานี้มีเป้าหมายอยู่ที่การฆ่าอยู่ที่การทำลายกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นและเป็นตัวที่ฉุดลากจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่าง ก็ต้องทำลายกิเลสตัณหาจึงอย่ารับประทานด้วยความอยากอย่ า, อ, าอย่ารับประทานเพื่อความอยากรับประทานเพื่อระ ง, งับความหิวของร่างกายรับประทานแบบรับประทานย า, านี่คือการแค่ปัญหาของนิวรข้อที่สามคือความง่วงเหงาหานอน นิวันข้อที่สี่ก็คือความคิดฟุ้งซ่านคิดด้วยเปื่อยคิดแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายใจความวิตกกังวลอะไรต่างๆขึ้นมาอารมณ์ว่าวุ่นขุนเมือขึ้นมาก็เพราะเกิดจากการเผลอสติปล่อยให้ใจคิดไปก็ต้องใช้การเจริญสติ จำเป็นจะต้องเจริญสติตลอดเวลาเพราะความคิดนี้เขาทำงานตลอดเวลาเขาจะหยุดก็ต่อเมื่อมีสติมาระงับไว้เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งอยู่ถ้าต้องการให้รถยนต์หยุดวิ่งก็ต้องใช้เบรกต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเหยียบไปจนกว่ารถยนต์จะหยุดวิ่งถึงจะปล่อยเบรกได้การเจริญสตินี่ก็เป็นเหมือนกับการใช้เบรก หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้ามีสติแล้วความคิดปรุงแต่งจะสงบตัวลงได้ถ้าถ้าความคิดปรุงแต่งหยุดสงบตัวลงได้เราก็หยุดบริกรรมได้เช่นเราใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเวลาที่ใจยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ เราก็ต้องใช้บริกรรมพุโทโธเพื่อที่จะหยุดความคิดเหล่านั้นเวลาที่เราเริ่มต้นใหม่ๆนี้ความคิดเขาจะไม่หยุดไปทันทีทันใดเลยเวลาที่เราบริกรรมพุโทโธเป็นเหมือนกับการจะต้องแข่งกันความคิดเขาก็ยังคิดอยู่เราก็ต้องใช้พุโทโธมาแข่งกับเขาเราไม่ต้องไปสนใจกับความคิดที่ยังมีอยู่ที่เรายังดับไม่ได้ ให้เราสนใจอยู่กับคำบิกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยหรือถ้าเราใช้การดูร่างกายเป็นการสร้างสติเราก็คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทําอะไรก็ให้เฝ้าดูไปอย่าไปสนใจกับความคิดต่างๆที่ยังอาจจะมีคิดอยู่ให้สนใจอยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทําอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำอาบท่าแปลงฟันน้างหน้าล้างตาหวีเขาหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวหรือทำภารกิจการงานต่างๆให้เฝ้าดูงานที่เรากำลังทำอยู่ส่วนความคิดนั้นเขาจะคิดก็ปล่อยเขาคิดไปอย่าไปสนใจถ้าเราไม่ไปสนทนากับความคิดเดี๋ยวความคิดเหล่านั้นมันก็จะ จานหายไปและหมดไปเองแต่ถ้าเรายังไปสนทนาหรือยังอยากให้มันหายเราก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคาญใจขึ้นมาได้เราต้องทำความเข้าใจว่าความคิดเหล่านี้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นสิ่งที่เรายังห้ามไม่ได้เมื่ อ, อยังห้ามไม่ได้ก็ปล่อยเขาคิดไปสติของเรายังมีกําลังน้อย เหมือนรถที่แตะเบรกเพียงครั้งแรกนี้ยังไม่สามารถทำให้รถหยุดได้อย่างสนิทนะก็ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเหยียบไปจนกว่ารถจะหยุดสนิทนะในที่สุดนะเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือเฝ้าดูการกระทาของร่างกายไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจกับความคิดปรุงแต่งที่ยังกาลังที่ยังคิดอยู่นะทา บริการพุทธโธไปเฝ้าดูการกระทําต่างๆไปเดี๋ยวไม่นานความคิดปรุงแต่งมันก็จะจางหายไปนี่ก็คือการวิธีระงับดับความพุ่งสร้างต่างๆต้องใช้สติเป็นเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้จักการใช้ปัญญาถ้าเรารู้จักใช้ปัญญารู้จักคำว่าตายรัก เหล่านี้สามารถที่จะใช้ตรายลักนี้มาระงับความคิดปรุงแต่งที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้เพราะเรื่องราวต่างๆนั้นมันเป็นตรายลักทั้งหมดนั่นเองมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่มีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อม เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ตอเวลาที่เราฟุ้งซ่านกับเรื่องราวต่างๆก็เพราะว่าเราไม่เห็นตลายลับเราจึงเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอไม่สามารถทำให้มันเป็นตามที่ต้องการได้ใจก็จะฟุง้งใจก็จะคิดหาวิธีการต่างๆคิดอย่างไรมันก็จะไม่สามารถที่จะ ไปทำให้เป็นไปตามความอยากได้แต่ถ้ามองเห็นว่าเป็นตายรักยอมรับความเป็นจริงว่ามันเหนือวิสัยที่เราจะไปทำให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ใจของเราก็จะหยุดคิดหยุดอยากแล้วใจก็จะกลับมาเป็นปกติไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็จะสามารถจเจริญ สติเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบได้นี่ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่เรียกว่าความคิดปุงความคิดฟุ้งซ่านต่างๆข้อที่ห้าคือนินวรณข้อที่ห้าอุปสรรคข้อที่ห้าที่ทำให้ใจเราไม่สงบเข้าสู่ความสงบไม่ได้ก็คือการมัชชะนทตาความชอบความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะ รูปเสียงกิรลดพุทธพาษนี้อยู่ข้างนอกใจถ้าใจไปชอบสิ่งเหล่านี้ใจก็ต้องออกไปข้างนอกถ้าใจออกข้างนอกแล้วใจจะไม่สงบการที่จะทําให้ใจสงบนี้จะต้องดึงใจให้เข้าข้างในการจะดึงใจให้เข้าข้างในได้ใจจะต้องปล่อยวางรูปเสียงกิ่นรลดพุทธภาษ คือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผทพาพนี่เองคือการมชัชนทะวิธีที่จะกำจัดการมชัชชนทะนี้ก็มีหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกท่านก็ให้ถือศีลแปดกันให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายคืออย่าไปดูอย่าไปฟังรูปเสียงกลิ่นรสผลท พ, พชนิดต่างๆที่เรารักเราชอบเช่น เรื่องของการบันเทิงเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการหลับนอนกับบุคคลบุคคลนั้นบุคคลนี้เช่นสามีหรือภรรยาของเราถ้าเราต้องการที่จะทําใจให้สงบเราต้องตัดความสุขทางด้านทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเราจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้สุขนอกกับสุขใน ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรียกว่าสุขนอกส่วนความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เรียกว่าสุขในทั้งความสุขทั้งสองชนิดนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ได้จะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะเอาความสุขนอกก็ต้องสละความสุขในไปถ้าต้องการความสุขในก็ต้องสละความสุขนอก ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้จักว่าความสุขนอกนั้นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีน้ําหนักน้อยกว่าความสุขในที่เป็นความสุขแท้ที่คำว่าแท้หรือปลอมก็เพราะว่าความสุขนอกมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราว จึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมแล้วก็มีความสุขมีน้ำหนักสู้ความสุขในไม่ได้ความสุขในคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่มีน้าหนักมากกว่าความสุขทั้งปวงอยงที่ท่านคงได้ยินได้ฟังคำพูดว่านัตติสันติปรังสุขขังอยู่เสมอแปลว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุข ที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีผู้ใดได้พบกับความสุขในแล้วก็จะทิ้งความสุขในความสุขนอกได้อย่างไม่มีเยื่อใยไม่มีอะไรเอาวอนนองเหลืออยู่เลยเพราะว่าความสุขในนี้มันประทับใจมากกว่าความสุขนอกนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขในได้ความสงบเราก็จำเป็นจะต้องสละความสุขนอกไป เพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าหาความสุขข้างในวิธีที่จะสละความสุขนอกก็คือการรักษาศีลแปดนี้ในเบื้องตน้นแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นขั้นตอนเดียวเท่านั้นเพราะการรักษาศีลแปดนี้ก็เป็นเพียงแต่กั้นเอาไว้กันเอาไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าความอยากมันมีกำลังมากกว่า มันก็อาจจะทำลายกําแพงที่ขวางกั้นนี้ไว้ได้ผู้ที่ถือศีลแต่ 8, จึงบางครั้งจึงเกิดการศรีลขาดกันขึ้นมาตั้งใจว่าจะไม่กินข้าวเย็นพอถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วมันอดไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปกินข้าวเย็นกันเลี้ย อ, อยู่ดีๆเพื่อนก็โทรมาชวนไปกินข้าวเย็นพอดีวันนี้วันเกิดอยากจะเลี้ยงอาหาร ศีลที่ตั้งใจจะรักษาไว้ก็ขอขอแขวนไว้ก่อนวันนี้ขอยกเว้นไว้หนึ่งวันอันนี้ก็เป็นนี่เป็นเรื่องของศีลที่มันยังไม่สามารถที่จะทำลายการมฉันท์ดได้อย่างราบคาบเป็นเพียงแต่เป็นกำแพงคอยกั้นมันไว้เท่านั้นศีลแปดท่านก็คงจะทราบ โดยเฉพาะสินข้อสามก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครสินข้อที่หกก็คือสินข้อที่ห้าก็ไม่เสพสุรายา ม, มาอันนี้เป็นเรื่องของสินห้าอยู่แล้วสินข้อที่หกก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วสินข้อที่เจ็ดก็คือการไม่ดูไม่ฟังหมอรศบบันเทิงต่างๆ และการไม่เสริมความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารสวยสดงดงามหรือการเสริมความงามของร่างกายด้วยการแต่งเผ้าแต่งผมแต่งหน้าทาปากการใช้น้ํามันใช้น้ําหอมอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการหาความสุขทางร่างกายเป็นการมฉันทะและข้อที่แปดก็คือการไม่หลับนอนมากจนเกินไป การหลับนอนมากกว่าความต้องการของร่างกายก็เรียกว่าเป็นการมาฉันท้าแบบหนึ่งคือหาความสุขจากการนอนนั่นเองวิธีที่จะแก้ท่านก็ให้นอนบนพื้นแข็งอย่าไปนอนบนฟูกหนะนะาๆเพราะเวลานอนบนฟูกหนาๆและนะหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแต่ความนุ่มของของของฟูกหนาๆนะ มันสุขมันสบายก็จะทําให้ไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงเป็นการเสพกามวันทะไปแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งแล้วเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมานี้จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สุขมันไม่สบายสึงลุกขึ้นมานั่งหรือมาเดินจงกรมมาจรเดินสติมาทําใจให้สงบดีกว่าเพื่อที่จะได้ ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้รับจากการหลับนอนนี่ก็คือการกําจัดดิวอรข้อที่ห้าขันรกเรียกว่าเป็นการป้องกันถ้าอยากจะกําจัดก็ต้องพิจารณาว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพานี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความทุกข์มากกว่า เป็นความสุขเหมือนของเป็นความสุขของคนติดยาเสพติดรูปเสียงกิดลดพทธทพานี้เป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเราเสพแล้วเราจะต้องติดแล้วเราจะต้องเสพมาเรื่อยๆ เ, เวลาที่เราไม่ได้เสพเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราเสพความสุขที่เราได้แล้วมันเป็นความสุขเดียวเดียวได้เกิดขึ้นในขณะที่เสพพอหยุดเสพไป ความสุขนั่นก็หายไปพอความสุขนั้นหายไปความอยากจะเสพก็ปรากฏขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะเสพได้ความสุขที่เคยได้จากสิ่งที่เสพก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเห็นความทุกข์ที่ตามมาเวลาที่ไม่สามารถที่จะเสพได้ ก็จะทำให้ไม่อยากเสพไม่อยากจะหาความสุขแบบนี้ก็จะสามารถทำลายการมาฉันทะได้อย่างถาวรต่อไปนี่คือเรื่องของการศึกษาทำความรู้จักกับนิวรณที่เป็นอุปสรรคขวางกัน้นการที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบ เป็นเหมือนกำแพงที่ขวางกัน้นทางหรือประตูที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าเราต้องการเข้าสู่ความสงบเราจะต้องทำลายกาแพงที่ขวางกั้นนี้กาแพงนี้ก็มีอยู่หชั้นหรือ5้าชนิดด้วยกันดังที่ได้แสดงไว้คือความรังเลสงสัยในพระพุทธ พระเจ้าก็ดีในพระธรรมคำสอนก็ดีในพระอริยสงสาวกก็ดีความโกรธความหงุดหงิดดำคานใจความไม่พอใจก็จะทำให้ใจสงบไม่ได้แล้วก็ความง่วงเหงาหานอนข้อที่สี่ก็คือความฟุ้งซ่านข้อที่ห้าก็คือกามฉันทะ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถธธภะถ้าเรารู้จักวิธีกาจัดนิวรณ์เหล่านี้ได้การที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายรต่จากอุปสรรคต่างๆอย่างที่พวกเรากําลังเป็นกันอยู่นี้นอกจากจากอุปสรรคทั้ง5้าประการนี้แล้วถ้าจะว่าอุป จะมีอุปสรรคอย่างอื่นไหมก็คิดว่ายังมีอยู่คือหนึ่งก็คือจิตใจของผู้ปฏิบัติเองว่ามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือไม่มีอิทธิบาทสี่หรือไม่มีความยินดีที่จะปฏิบัติหรือไม่มีความวิริยะอุสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติที่จะเจริญสติเพื่อจะทำใจให้เข้าสู่ความสงบหรือไม่ มีใจที่จดจอ่ออยู่กับเรื่องของการปฏิบัติหรือไม่มีใจคิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหรือไม่หรือยังคิดไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปหาความสุขกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถ้าใจไม่คิดอยู่กับการหาความสุขจากการเจริญสติเจริญปัญญาเพื่อทําให้ใจสงบถ้าใจยังไปคิด หาความสุขในรูปแบบอื่นอยู่นะการที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบก็อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้น้อยอย่างญาติโยมที่เป็นผู้เป็นคาวว่าผู้คลองเรือนนี้ยังขาดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเพราะยังแบ่นความคิดไปคิดถึงเรื่องการหาความสุขในรูปแบบอื่นหาความ ยังคิดอยู่กับการเื้อหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ความสุขนอกก็อยากได้ความสุขในก็อยากมีก็เลยต้องแบ่งเวลาถ้าเป็นวันพระก็มาหาความสุขในถ้าเนเป็นวันธรรมดาก็ไปหาความสุขนอกเช่นวันพระก็ถือศีลแปดกันวันธรรมดาก็ถือศีลห้า หรือบางท่านก็อาจจะไม่ถือศีลห้าเลยก็ได้เพราะมันไม่สะดวกกับการที่จะหาความสุขภายนอกถ้ามีศีลมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีกฎกติกามีข้อบังคับที่จะทำให้การหาความสุขนอกนี้ยากลาบากขึ้นก็เลยอาจจะไม่ถือศีลห้าเลยก็ได้ในช่วงที่ไม่ใช่เป็นวันพระ มาถือศีลห้าเฉพาะวันพระหนึ่งวันสำหรับบาง ท, างท่านที่ที่ถือศีลห้าได้แล้วก็อาจจะมาถือศีลแปดในวันพระแต่ถ้าผู้ที่มีมีอิทธิบาทสี่จริงๆมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีความปรารถนาที่จะได้ความสุขภายในเพียงอย่างเดียวเขาก็จะทุ่มเทด้วยการรักษาศีลแปดทุกวัน อยู่แบบนักบวชเลื้อถ้าบวชได้ก็อาจจะออกไปบวชเลยแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจและเวลาทั้งหมดตั้งแต่เตื่นจนหลับให้กับการบาเพ็ญส ม, มถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต้องมีอิทธิบาทสี่ด้วยถึงจะสามารถทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาภายในใจได้การกำจัดนิวรณ น, นี้ก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่มีฉันทวิริยะจิตตะวิมังสาก็จะไม่มีจิตใจที่อยากจะปฏิบัติเมื่อไม่อยากจะปฏิบัติก็จะไม่เจอนิวรณ์อยู่ดีนิวรณ์อันนี้มันมักจะเกิดตอนที่เราปฏิบัติกันเวลาเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาเวลาไปเที่ยวนี้มันไม่ค่อยง่วงเหงาหานอนเลยสังเกตอยู่เที่ยวได้ทั้งคืนตีสองตีสาม ยังไม่ง่วงยังไม่อยากจะหลับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการบมเพ็ญเพื่อให้จิตใจเข้าสู่ความสงบต้องมีอิทธิบาทสี่มีฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติถ้ามีความยินดีที่จะปฏิบัติแล้วความเพียนมันจะมาเองเวลาเราชอบทําอะไรนี่เราจะขยันเราจะทําในสิ่งที่เราชอบกัน ถ้าเราไม่ชอบแล้วเราจะไม่กระทากันเราจะหาข้ออ้างต่างๆร้อนเกินไปเย็นเกินไปเหนื่อยเกินไปอิ่มเกินไปหิวเกินไปอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเราชอบแล้วเราจะไม่มีข้ออ้างดูเด็กที่ชอบเล่นเกมเยเขาไม่มีข้ออ้างไม่มีเวลามไม่มีเวลาให้เขาเล่นเขาเล่นได้ทั้งวันทั้งคืน หิวไม่มีข้าวกินเขาก็ยังเล่นกันอยู่ได้เพราะเขามีฉันทะมีความยินดีที่จะเล่นเกมนั่นเองเพียงแต่ว่าหน้าเสียดายที่เขาไม่มีความยินดีที่จะมาปฏิบัติธรรมถ้าเขามีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการยินดีกับการเล่นเกมอันนี้เขาก็อาจจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันไปหมดแล้ว เครื่องมืออันเดียวกันคืออิทธิบาทสี่นี้อันเดียวกันการกระทำอะไรต่างๆไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมนี้คนที่ประสบกับความสาเร็จนี้เป็นคนที่มีอิทธิบาทสี่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเรียนหนังสือในระดับไหนก็ตามถ้าไม่มีอิทธิบาทสี่ก็จะเรียนไม่จบไม่ว่าทำงานทำการจะสาเร็จรุ่งเรืองได้ดีก็ต้องอาศัยอิทธิบาทสี่ ต้องมีความยินดีในสิ่งที่เรากระทำถ้าเราอยากจะให้มีความยินดีกับการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องดูผลของการปฏิบัติดูตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลจากการปฏิบัติเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านหลังจากที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านได้มรรคได้ผลได้พระนิพพานกันท่านได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกัน ท่านได้บรมมังสุขปาลมังสุขขังกันท่านไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของท่านเลยไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราเห็นรางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติธําแล้วก็จะทำให้เราเกิดมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติพอมีความยินดีแล้วความขยันหมั่นเพียรก็จะตามมาความจดจ่อของใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติก็จะตามมา จะคิดจะทำจะภาวนาอย่างเดียวจะปฏิบัติอย่างเดียวใครจะมาชวนไปไหนก็จะไม่ไปความคิดก็จะคิดอยู่กับเรื่องการภาวนาเท่านั้นจะไม่คิดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปทำกิจกรรมอย่างนู้นทากิจกรรมอย่างนี้จะคิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพานนเทาน น, น, นี่ก็คือเรื่องราวของการบาเพ็ญ จิตใจเพื่อให้เข้าสู่ความสงบเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั้นจะต้องมีทั้งอิทธิบาทสี่และจะต้องรู้จักวิธีกําจัดนิวรณทั้งห้าที่เป็นอุปสรรคขวางกาั้นของการปฏิบัติถ้าเรามีความรู้มีรู้จักวิธีกําจัดนิวรณทั้งห้าแล้วมีอิทธิบาทสเรื่องของมรรคผลนในภานนี้มันก็จะเป็น เรื่องแบบเดียวกับของพระพุทธเจ้าและของพระอารานตสาวกทั้งหลายเพราะท่านก็ใช้นิอิธิบาสีและใช้วิธีกาจัดนิวรณ์ทั้งห้านี้ให้หมดไปเหมือนกับที่ท่านนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราเราก็จะได้รับผลแบบเดียวกันอย่างแน่นอนจึงคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรย่าทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกบปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดวเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสงังกาปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพีติโยวิวัชจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีริสะนิจังุทธาปจายิโนจตารุธรมมวัฏานติ อายุวันโสุขังภาลางลำดับต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยมีความอยากจะรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกักบการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย หลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็ขอยุติการถามตอบปัญหาถ้าอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้หนูขอถามค่ะเรื่องความโกรธที่พระอาจารย์เทศอะคะ่ะอย่างเมื่อวานนี้หนูก็มีปัญหาเรื่องความโกรธคือยอมหยุดแล้วแต่ว่ามันมันเย็นเป็นเป็นช่วงๆมันรู้สึกถึงต้นเหตุ ที่พอคิดถึงต้นเหตุที่ทําให้เราโกรธมันก็มันก็รู้สึกกลับมาโกรธอีกทั้งทังที่ยอมหยุดแล้วแต่เหตุผลที่ยอมคือหนูยอมเพราะว่าหนูกลัวพระอาจารย์มากกว่าแต่หนูไม่ได้นึกถึงนึกถึงธรรมะเรื่องอื่นที่หนูยอมเพราะว่าหนูกลัวพระอาจารย์มากกว่าแต่ว่าหนูไม่ได้คิดถึงข้อธรรมะทําให้หนูยอมแล้วหนูหยุดแต่ว่ามันไม่เย็นนึกถึงทีไรมันก็โกรธซึ่งปกติหนูไม่เคยมีใครมาว่าหนูหรือมานั่งด่าหนู เขาไม่สามารถด่าหนูได้แต่ตอนนี้หนูแต่เมื่อวานนี้หนูยอมไม่คนเขาด่าจนจบโดยที่หนูไม่ตอบโต้แต่พอผ่านไปแล้วมันก็ยังรู้สึกโกรธอยู่เพราะยังมีความอยากอยู่ยังอยากให้เขาไม่ไม่มาด่าเรามาว่าเราเรายัางไม่ได้พิจารณาเขาว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนฝนตกถ้าเรายอมรับเรื่องของฝนตกได้เราจะไม่ร้อนไปกับ ฝนแต่ถ้าเรายังคิดว่าเราอยากจะควบคุมบังคับฝนได้คือสั่งไม่ให้ตกได้เวลามันตกเราก็ยังจะโกรธอย่างนี้เราต้องพิจารณาคนที่เขาโกรธคนที่เขาด่าเราว่าเราไปควบคุมเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้แล้วเราก็อย่าไปมีความอยากไม่ให้เขาด่าเราตำหนิเราว่าเรา ต้องยอมนะว่าเหมือนอยู่ใต้ฟ้าต้องเจอฝนเป็นธรรมดาอยู่ในโลกต้องเจอสรรเสริญ น, นินทาเป็นธรรมด า, าถ้าจะไปเลือกเอาแต่แสรรเสริญเนี่เอานินทาก็จะทุกไปตลอดเวลาที่พบคบพ บ, บ, บกับการนินทาว่ากล่าวเวลาใครเขาว่าเราขอให้เราฟังด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าวัางว่าสิ่งที่เขาว่าเรานั้นจริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูก ถ้าสิ่งที่เขาว่าเราเป็นความจริงและถูกถ้าเราน้อมเอามาแก้ไขเราก็จะได้รับประโยชน์ขอให้คิดว่าคำตำหนินี้เป็นเหมือนกับกระ จ, ก, ระจกสองหน้าเราบางทีเราไม่รู้เรามองไม่เห็นตัวเราว่าเราดีหรือไม่ดีแต่คนอื่นนี่ก็จะเห็นเราอย่างชัดเจนเป็นเหมือนกับกระจกเนั้นบางทีเราต้องอาศัย ความคิดความเห็นของผู้อื่นเป็นผู้ที่จะสะท้อนความจริงของเราเช่นของพระนี่ในช่วงวันสุดท้ายของพรรษาทุกพรรษาทุกปีนี้ปกติวันพระวันนั้นจะเป็นการสวดพระปาฏิโมกข์คือการฟังพระท่านแสดงพระปาฏิโมกข์คือศีลสองรอยี่สิบเจ็ข้อของพระ เพื่อเป็นการทบทวนความจําทุกสิบห้าวันนี้จะต้องมีพระแสดงพระปาฏิโมกข์ไพ่พระทั้งวัดได้ฝังเพื่อจะได้จดจํากันเหมือนกับการประกาศาคําสั่งของพระพุทธเจ้าว่าห้ามธรรมอย่างนั้นห้ามธรรมอย่างนี้ถ้าไม่คอยประกาศอยู่เรื่อยเื่อยเดี๋ยวมันลืมแต่ในวันสุดท้ายของพรรษาวันออกพรรษา น, นี้ท่านจะ ยกเว้นวันนั้นไม่ต้องสวดพระปฏิโมกแต่จะให้พระทำการปรวารณาตนการปรวารณาก็คือการเปิดโอกาสให้พระทุกรูปที่อยู่ร่วมกันน้มีโอกาสที่จะตาหนิว่ากล่าวติเตียนได้ให้ช่วยชี้บอกว่าการกระทาของข้าพระเจ้าก็ดีท่านได้ยินก็ดีเห็นก็ดีหรือสงสัยก็ดี ว่ามันไม่ดีไม่งามขอโปรดให้ท่านช่วยว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยนับตั้งแต่พระเถระลงมาจนถึงพระ อ, องค์สุดท้ายจะต้องทุกคนจะต้องแสดงปวารณาทุกคนต้องทําทีละคนเลยเริ่มต้นจากพระเถระท่านจะกล่าวว่ า, าข้าพเจ้าขอ ความเมตตาจากท่านทั้งหลายให้ช่วยว่าเก่าวตำหนิตีเตือนว่าสิ่งที่ท่านเห็นก็นดีได้ยินก็นดีสงสัยก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรขอให้ท่านได้ว่าเก่าวตากเตือนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทรงให้ปฏิบัติในวันสุดท้ายของพรรษา ช่วงที่อยู่ร่วมกันในพรรษาสามเดือนนี้อาจจะเห็นพฤติกรรมอะไรต่างๆของแต่ละองค์ซึ่งบางองค์ท่านอาจจะไม่รู้ว่าผิดก็ได้หรือไม่ควรก็ได้ท่านก็เลยบอกท่าน ก, ก็นเลยโปรดอากาศ แ, แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเป่านาตัวเองเช่นเดียวกันท่านไม่ถือว่าการตําหนิตีเตียนนี้เป็นเป็นสิ่งที่เสียหายแต่อย่างใดแต่ทรงถือว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ ถ้าเราฟังด้วยเหตุด้วยผลถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเราผิดจริงเราไม่ดีจริงก็เหมือนกับเราดูหน้าของเราในกระจกแล้วทาปากเบีย้ยวไปหรือทาคิ้วเบีย้ยวไปเราก็จะได้มาแต่งมันใหม่ให้มันถูกต้องถ้าไม่มีกระจกเราก็จะคิดว่าเราทาดีแล้วแต่งดีแล้วแต่คนอื่นเขาเห็นแล้วเ็ก็น่าเยะว่าแต่งอะไรวะ นี่ก็ให้มองความตำหนิติเตียนว่ากล่าวตักเตือนของผู้อื่นในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งที่เขาว่ากล่าวตักเตือนมันไม่เป็นความจริงเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็เฉยเสียก็ผ่านไปเราก็ไม่ต้องแก้ไขดัดแปงลงอะไรตรงไหน อ, อันนี้ก็เป็นวิธีการของนักปราดเวลาฟังคาตำหนิติเตียนนีท่านจะน้อมเอามาทาให้เกิดประโยชน์ ท่านบอกว่าเป็นเหมือนคนชี้ขุมทัพย์ให้กับเราคนที่ชี้ความผิดให้กับเรานี้เป็นเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์เพราะถ้าเรามีความผิดแล้วเราทําความผิดไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเสียหายกับเราแล้วถ้ามีคนมาชี้มาบอกว่าเราทําผิดเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยการกระทํานี้เกิดความเสียหายถ้าเราหยุดการกระทําเหล่านี้เราก็จะไม่มีความเสียหายตามมาเราก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ไปแก้ปัญหาต่างๆที่เราทําเอาไว้ก็เหมือนกับได้ทรัพย์มาการไม่เสียทรัพย์ก็เหมือนกับการได้ทรัพย์มานท่านถึงบอกว่าเวลาใครเข้าว่ากล่าวตักเตือนเราขอให้เราคิดว่าเป็นการชี้กลุ่มทรัพย์ให้กับเราหรือให้คิดว่าเขากําลังให้เงินให้ทองเราก็ได้อแล้วแทนที่เราจะไม่อยากจะฟังเราก็อยากจะฟัง ค่ะอาาถึงแม้ว่าไม่ตอบโต้หรือไม่อะไรเฉยไปแต่ว่าในใจมันเพื่อนมันสันก็แสดงว่าก็ยังสอบตกอยู่ก็มันไม่ได้เฉยด้วยเหตุด้วยผลไงมันเฉยด้วยรู้ว่ามันไม่ควรตอบโต้แต่มันยังไม่มันยังไม่ได้ไปหยุ์ความอยากที่อยากไม่ให้เขาว่าเราไม่อยากไม่ให้เขาด่าเราหมายถึงว่าคือณตอนนั้นมันก็เห็นว่า หนึ่งการตอบโต้กับสารพัดมีหนูมีสารพัดวิธีที่หนูจะตอบโต้เขาหรือทําให้เขาม า, มาขอโทษหนูแล้วหนูก็เห็นว่าตรงนั้นมันคือเหมือนความสุขตรงหน้าความสะใจตรงหน้าที่หนูจะเลือกเอากับกับวิธีที่ยากกว่าคือหนูกลับมาทําใจแล้วมันยากมากเลยเนะี้ยค่ะเพราะเราไม่เคยทํามันก็ยากเราเคยแต่เอาชนะเขาแพ้เป็นพ้ะชนะเป็นมารเราชอบเป็นมารกันมันก็เลยง่ายเวลาเป็นพระทีมันถึงยาก คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมมีความทุกข์ทางใจมานานผมได้รับทุนการศึกษาจากพระท่านหนึ่งแต่ผมเรียนไม่จบด้วยคําพูดที่ไม่มีศัจจ์มันจะเป็นบาปต่อผมหรือเปล่าครับก็ไปพูดอะไรไว้นะ่ะถ้าเราตั้งศัจจ์ไว้เราก็ควรที่จะรักษาสัจจ์การไม่รักษาสัจจ์นี้ก็เป็นเหมือนกับการพูดปด Molly, เช่นเราสัญญาว่าจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ทำอย่างนี้ ก, <ES> ก็เรียกว่าเป็นการพูดปลดแล้วปดการพูดปดมันก็ถือว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งงนั้นก่อนที่เราจะให้สัญญงสัญญาอะไรกับใครไว้เราต้องคิดให้ดีก่อนเพราะโบราณท่านก็พูดไว้แล้วว่าก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายของคาพูดของเราเราจะสั่งให้มันพูดอะไรก็ได้แต่พอเราพูดไปแล้วมันจะเป็นนายของเราเพราะมันจะต้องมาสั่งให้เรา ทำตามที่เราพูดเอาไว้อย่างนี้นก่อนที่จะรับปากกับใครจะให้คำมั่นสัญญากับใครคิดให้ดีซะก่อนว่าทำได้หรือไม่คนจะพูดคนจะมีคำว่าถ้ า, าไว้สักหน่อยก็ยังดีถ้าทำได้ก็จะทำให้อย่างนี้คำถามต่อไปจากคุณวันดีเหตุใดจึงมีสายปฏิบัติเกิดขึ้นมาต่างๆสายมีคำบริกรรมต่างๆ แท้จริงแล้วพระพุทธองค์ได้สอนเกี่ยวกับคำบริกรรมไหมครับคือวิธีทำใจให้สงบเนี่ยมันมีต้องสี่สิบวิธีไง น, นี่แต่ละคนนี้มีจริตไม่เหมือนกันชอบจริตชอบวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันวิธีทำใจให้สงบนี่มีสี่สิบเหมือนกับอาหารที่มีอยู่4ี่สิบชนิดทำไมถึงมีอาหารสี่สิบหรือมากกว่าสี่สิบแห่งในประเทศไทยเ้าเนี่ย อาหารจีนก็มีอาหารเกาหลีก็มีอาหารญี่ปุ่นก็มีมีหลากหลายแต่มันก็เป็นอาหารเหมือนกันกินแล้วมันก็รับประทานมันก็อิ่มเหมือนกันแต่ความชอบของคนเราจะเห็นนิสัยไม่เหมือนกันก็เลยเลือกกินในสิ่งที่เราชอบการบาเพ็ญจิตตะภาวนาทาใจให้สงบก็เหมือนกันบางคนก็ชอบบริกรรมพุทโธก็ใช้พุทโธไปบางคนชอบยุบหนอพองหนอก็ใช้ยุบหนอพองหนอไป คนไหนได้ผลแบบไหนก็จะเอามาสั่งสอนต่อเป็นทอดๆอดไปมันก็เลยกลายเป็นสายปฏิบัติที่เป็ น, ปนสายเป็นสายไปแต่ทั้งหมดนี้มันไปพุ่งเป้าไปที่อันเดียวกันคือความสงบของใจแต่พอเข้าสู่การวิปัสสนาแล้วนี้มีสายเดียวคือมีสายตายักเท่นั้นสายอสุภทะทนั้นสายอาหารเปฏิกระสัญญาทุกคนจะต้องเข้าสู่สายนี้ถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แต่ส่วนสายสมาธินี่มีวิธีเข้าอยู่ต้อง40สบวิธีด้วยกันคำถามต่อไปจากคุณณัทธวุฒิการฝึกสติในขณะทำภารกิจการงานบางช่วงก็จับลมหายใจพร้อมคำบริกรรมพุโทโธบางช่วงก็จับที่อวัยวะส่วนที่เคลื่อนไหวทำงานพร้อมพุโทโธบางช่วงก็จดจ่อกับการสวดอิปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนวนไปเรื่อย ไม่ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดวันยันหลับอย่างนี้ถือว่าจับฉ่ายหรือมั่วไปหรือเปล่าครับก็ดูที่ผลไงผลที่เราต้องการก็คือเราไม่ต้องปล่อยให้ใจคิดฟุง้งซ่านคิดแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าใจว่างใจเย็นใจสงบมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรวิธีการที่จะทำให้มันสงบก็อย่างที่พูดมันมีอยู่ถึงสี่สิบวิธีด้กัน ถ้าเราเบื่อแบบนี้เหมือนเรารับประทานอาหารเราให้เป็นเป็นอาหารจานโปรดของเราเถิดถ้ารับประทานทุกวั น, ท, วนทุกวันไม่ถึงเดือนก็ไม่อยากจะรับประทานมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ้างก็ได้คำถามข้อสำคัญขอให้ใจสงบก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณศศิเพนการเดินจงกรมภาวนาเท่าที่ทราบครูบาอาจารย์ให้เดินตามตะวันถ้าสถานที่ไม่อำนวย หรือเราไม่ทราบทิศในบางสถานที่เราสามารถเดินในทิศอื่นๆได้ไหมคะท่านก็ไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาดเพียงท่านเพียงแต่แนะนำว่าควรจะเดินไปในทิศทางตามตะามตะวันคือตะวันออกสู่ตะวันตกหรือเยืองเฉียงเหนือเฉียงใต้ได้แต่ท่านบอกว่าไม่ควรเดินทางเหนือใต้แต่การก็ถ้ามันเดินไม่ได้จริงๆก็นั่งเสียก็แล้วกัน ถ้าเราอยากจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์เแล้วเราออกไปหาสถานที่หรือไปหาเข็มทิศดูดูดวงตะวันดูพาะทิศว่าเดินไปทางไหนแล้วเราก็ไปถามทางจงกรมเสียดายที่หลวงตาท่านไม่ยอมตอบเพราะมีคนถามว่าทําไมหลวงตาท่านก็ไม่ตอบอก็เลยไม่ทราบว่าหลวงปู่มั่นทําไมท่านถึงกําหนดให้เราเดินตามตะวันคําถามต่อไปจากคุณกระโหนพร ข้อที่หนึ่งสิ่งที่ไม่มีวิญญาณต้นไม้แม่น้ําภูเขาหินดินทรายวัตถุสิ่งของเหล่านี้มีความว่างหรือไม่คะเขาเป็นธาตุไงเขาคำว่าว่างหมายความว่ายอย่างไงมันมันไม่เกี่ยวคําว่างนี่มันเรื่องของใจคําว่าใจนี้ใจว่างไม่ว่างก็คือใจมีความคิดตรงแต่งหรืมมีอารมณ์ต่างๆหรือไม่ ถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีอารมณ์ก็ว่างดังนั้นความว่างนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของใจเพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องของธาตุสีดินน้ำลมไฟนี้เขาไม่มีควาว่าว่างเขาก็เป็นธาตุของเขาไปข้อที่สองกิเลสเป็นของหนักอย่างนี้ถ้าเราลำดับขั้นของความหนักนรกก็อยู่ต่ำที่สุดขึ้นมาก็เป็นเมืองมนุษย์ต่อมาก็เป็นเทวดาพรหม อย่างนี้ดินแดนพระนิพานก็เป็นดินแดนที่อยู่สูงที่สุดใช่ไหมคะเพราะป่าสจากกิเลสก็ใช่ก็อย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดในปัจจุบันนี้เราก็เปรียบเทียบแบบคอนโดไปยิ่งสูงก็ยิ่งแพงยิ่งยิ่งมีความสูขมากขึ้นเนี่ยข้อที่สามดิฉันได้ลองฝึกเจริมมรณ า, านุสติ โดยคิดว่าตัวเองจะตายสภาพใดอย่างไรเมื่อไรคนรอบข้างเราตายเราตายคนรอบข้างจะสูขหรือทุกข์เห็นว่าย่อมเป็นไปตามกรรมพิจารณาตนเองเน่าเหลือแต่กระดูกนำไปเผาไฟก็เป็นขี่เท่าหมุนเวียนเป็นพืชสัตว์เหล่าเขาก็ยังไม่แตกฉานอยากให้พระอาจารย์แนะนําการพิจารณาไตาลักษณ์ในแง่มุมต่างๆมากกว่านี้อีกค่ะ เพื่อตนเองรละลึกถึงความตายมีความกลัวเป็นผู้ไม่ประมาทและเร่งความเพียรก็นั่นแหละก็เท่าที่เทศก็คือให้เห็นว่าร่างกายนั่นเป็นเพียงการรวมตัวของธาตุสี่ดินาน้ำลมไฟที่มาในรูปแบบของอาหารในเบื้องต้นก็อาศัยอาหารของแม่ที่อยู่ในคันแม่กินอาหารเข้าไปแล้วก็แปลงกายเป็น กลายเป็นเลือดเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงทารกที่อยู่ในร่างกายให้มีอาการ32ปรากฏขึ้นมาพอจเจริญเติบโตถึงเวลาจะต้องคลอดก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็รับประทานอาหารต่อดื่มน้ำต่อหายใจเอาลมเข้าไปต่อมันก็เป็นการเติมธาตุธาตุนี้ก็เป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่เราใช้ก่อสร้างบ้านเวลาเราสร้างบ้านเราต้องมีอะไรบ้างนะ ต้องมีอิฐมีหินมีปูนมีซากมีเหล็กมีกระเบื้องมีอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เรามาใช้สร้างบ้านวัตถุดิบที่เรามาใช้สร้างร่างกายก็คือดินน้ำลมไฟในในาบของอในคาบของอาหารใช่หอาหารข้าวนี่มาจากไหนข้าวก็มาจากต้นข้าวต้นข้าวมาจากไหนก็มาจากดินจากน้ำถ้าต้นข้าวไม่มีดินไม่มีน้าไม่มีอากาศมันก็งอกขึ้นมาไม่ได้ มันก็เป็นการเป็นการแปลงธาตุให้มาเป็นอาหารแล้วจากอาหารก็มาแปลงให้เป็นอาการ32มสองเป็นวัตถุดิบแต่ละขั้นแต่ละขั้นมาถึงร่างกายก็มาแปลงพาอาหารเข้าไปร่างกายก็ไปเสริมผมเนี่ยผมเนี่ยมันก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเรามีอาหารกินเข้าไปมันก็เป็นเหมือนกับวัตถุดิบที่มาเสริมอาหารเสริมหนังเสริมเนื้อเสริมเอ็นเสริมกระดูกเสริมอะไรต่างๆไปเรื่อยๆ เวลาที ue, ่เจริญเติบโตการการเสริมนี่มันจะมีการทำงานมากกว่าการเสริมแต่พอขึ้นพอพอร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วทีนี้การเสริมมันจะมันจะน้อยกว่าการเสริมละนี่การเสริมของธาตุการแยกของการเสริมของอวัยวะต่างๆมันจะมากขึ้นตามลำดับไปร่างกายมันก็เลยแก่ลงไปแก่ลงไปแล้วในที่สุดมันก็หยุด ทำงานเพราะว่ามันเสื่อมสภาพหมดไปเหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้ใช้ไปนานๆมันก็เก่ามันผุมันพังก็ต้องทิ้งเหมือนไปร่ า, างกายก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีเราเขาอยู่ในนั้นเราเขาหรือสัตว์บุคคลนี่เกิดจากจิตที่ไปครอบครองแล้วก็ไปสมมุติร่างกายนี้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เนี่ยเป็น เ ป, เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่ร่างกายของทุกคนนี้เหมือนกันหมดมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดแต่คนที่มาครอบครองนี้ไม่เหมือนเท่านั้นเองคนที่ครอบครองนี้มีบุญบา ร, รมีมาไม่เท่ากันคนที่มีบุญบา ร, รมีมากก็จะมีความรู้ความสามารถอัยมากกว่าคนที่มีบุญบา ร, รมีน้อยกว่าจึงทาให้เกิดมีความ ฐานะเลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันไปเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นขอทานเป็นกรรมกรเป็นคนใช้แรงงานทางานโรงงานคนขับรถอะไรนี่เป็นเรื่องของบุญบา ร, รมีของดวงจิตแต่ละดวงที่มาครอบครองร่างกายใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการทำภารกิจกายงานต่างๆ ดันเวลาร่างกายตายไปผู้ที่มาครอบครองไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราสอนใจให้ใจที่มาครอบครองร่างกายให้เข้าใจหลักความจริงอันนี้เวลาเกิดความตายขึ้นมาเราจะไม่รู้สึกเสียอ ก, กเสียใจร้องหม่มร้องไห้เพราะเรารู้ว่าผู้ที่ครอบครองร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จนเวลาร่างกายของพ่อของแม่ของคนที่เราร่างตายไปล้วก็รู้ว่าเป็นเพียงร่างกายเป็นเงเป็นเพียงรถยนต์ที่เขาใช้ขับไปพาเขาไปไหนมาไหนแต่คนขับไม่ได้ตายไปกับรถยนต์ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์หรืออะไรกับการพัดพากจากกั น, นเวลาตายมันก็เฉยก็เออดีเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนรถใหม่ไปคันนี้มันเก่าแล้ว เ, เตรียมเงินไว้ไปซื้อรถใหม่หรือเปล่าเท่านั้นน่ะบุญบารมีนี่คือเงินที่จะไปซื้อรถใหม่ถ้ามีมากก็ซื้อเบนได้เลยซื้อจาโก้ได้เลยถ้ามีน้อยก็อาจจะไปซื้ออิสตันขับไปก่อนพอแล้วยัง เ, เดี๋ยวก็อีกห้องคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามตามที่หลวงปู่ชาบอกว่า ให้ขันห้าเป็นทานสูงกว่าเงินทองทั้งสิ้นพินิตขันห้าให้ว่างเป็นอาจินทุกดับสิ้นจิตสงบพบนิพพานการให้ขันห้าเป็นทานหมายความว่าอย่างไรคะก็เหมือนกับการเราให้ของคนอื่นไปใช่เราสละเงินสละทองไปให้คนอื่นเราก็เรียกว่าเป็นการให้ทานให้ทรัพย์การให้ขันห้าก็คือให้ร่างกายเหล่านี้คือเราอย่าไปยึดไปติดว่าไปถือว่าเป็นของเรา ที่ว่าเป็นของอของสับเปล่อเรายกให้สับปปเหลือแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาขอเก็บไว้ใช้ก่อน <c oughs> <laughs> พอเวลาไม่หายใจแล้วก็เชิญมาเอาไปได้คือ <c oughs> <c oughs> ให้เราไม่เสียดายไม่อยาไปยึดไปติดว่าเป็นของเราคิดว่าเป็นของยืมมายืมมาจากสับเลือเดี๋ยวจะต้องคืนสับเปลือไปความจริงเรายืมมาจากธาตุสี่ร่างกายนี้เรายืมมาจากดินน้ำลมไฟ เดี๋ยวพอเวลาร่างกายตายไปมันก็กลับคืนสู่เจ้าของเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำนมฝอยไปนี่คือความหมายให้สละขันหา้าขันห้าตัวหลักก็คือร่างกายเนี่ยตัวอีกสี่ตัวนั้นมันไม่ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับใจ่ขออนุญา ต, ออญาตค่ะอาจารย์อน้องเขาให้ถามว่าเขาเพิ่งฆ่าตัวตายแล้วเขารอดมาเขาอยากทราบว่า เขาจะบาปแค่ไหนคะจากการที่เขาฆ่าตัวตายแล้วถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่บาปถ้าเป็นทางกฎหมายเขาก็จะ เ, เขาจะมีก็ว่าการที่จะพยายามฆ่ากับการฆ่านี้มีโทษหนะักเบาต่างกันการพยายามฆ่าตัวตายมันก็เป็นบาปแต่มันเบากับการฆ่าตัวตายเพราะว่ามันอาจจะยังทําให้เราคิดฆ่าตัวตายต่อไปได้อยู่ ฉันเราต้องพยายามที่จะหยุดความอยากที่จะฆ่าตัวตายการที่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะเราไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเองปัญหาต่างๆที่เรามีกันนี้ไม่ได้อยู่ที่บุคคลหรือสิ่งของต่างๆอันนั้นเป็นปัญหาจริงอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นต้นปัญหามันไม่ใช่เป็นปัญหาหลักปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราที่เราอยากให้สิ่งนั้นบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เรา อ, อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้พอเราไม่ได้เราสูญเสียไปเราก็เกิดความเสีย อ, อกเสียใจหรือเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเวลาที่ใครเข้ามาด่ามาว่าเราแล้ว เ, เราไปทําร้ายเขาไม่ได้เราก็เลยคิดทําร้ายตัวเราเองเพราะเรากําลังทุกข์ทรมานใจแต่การฆ่าตัวเราเองนี้เราไม่ได้ไปฆ่าตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราก็คือความอยาก ความอยากก็เกิดจากความหลงที่อยากจะให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเพราะเราคิดว่าถ้าเขาเป็นแลเราจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ทําอย่างอื่นต่อไปอีกเราก็จะเสียใจอีกดังั้นเราต้องมาแก้ปัญหาที่แท้จริงต้นเหตุของปัญหาก็คือเราไม่มีความสุขในตัวเรา เราจึงต้องมาหาความสุขจากของภายนอกจากบุคคลนั่นจากบุคคลนี้เราต่อให้เราหาไเท่าไหร่สักวันหนึ่งเราก็ต้องผิดหวังเราก็ต้องเสียใจแล้วเราก็จะคิดฆ่าตัวตายถ้าเราหาความสุขภายในถ้าเรามาหาความสุขภายในใจของเราได้พบความสุขภายในใจเราก็ไม่ต้องหาความสุขจากภายนอกไม่ต้องหาความสุขจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ต่อไปคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นอะไรไปจะทําอะไรจะพูดอะไรจะไม่สะเทือนใจเราเพราะเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาแล้วเพราะเรามีความสุขในตัวของเราแล้วดังนั้นวิธีแก้ปัญหาเรื่องของความคิดอยากจะฆ่าตัวตายก็คือพยายามาสร้างความสุขภายในใจกันให้ได้สร้างความสุขในกันอย่าไปหาความสุขนอกเนีความสุขนอกเนี่ยมันพาให้เราไปสู่ความทุกข์ถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ ถ้าเรายัางไปหาความสุขนอกอยู่เดี๋ยวก็ต้องคิดข่าวตัวตายอีกเพราะเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาแบบเดิมอีกเพราะโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมเวลาเจริญก็ดีใจพอเสื่อมก็เสียใจฉนั้นหยุดหยุดการหาความสุขภายนอกเถอะมาถือศีลแปะแล้วมาไห ว, ว้พระสดวดมนต์นั่งทำสมาธิเจริญสติพยายามสร้างความสุขภายในให้เกิดขึ้นให้ได้ เมืได้ความสุขภายในแล้วก็จะไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกอีกต่อไปแล้วก็จะไม่ต้องมาคิดฆ่าตัวตายอีกต่อไปเข้าใจไหมแต่ว่าวิสองเรื่องเจ้าค่ะเรื่องแรกคือว่าหนูนั่งสมาธิแล้วมันเริ่มสงบและคราวนี้คราวนี้เวลาจะเพ่งหาเพ่งจุดเดียวที่หลวงพ่อเคยสอนเพ่งจมูกค่ะแล้วมัน มันเป็นสองเรื่องเลยค่ะคือเป็นจมูกกระโหลกกับจมูกพระพุทธเจ้าเนาะคะ่ะสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะเพง่งเพ่งดูลมไม่ใช่เพ่งที่จมูกคือเพง่งเพง่งเพ่งดูลมตรงจุดที่สัมผัสเข้าออกที่มันเด่นชัดก็อยู่ที่ปลายจมูกหรือหรือเหนือลิมฝี่ปากของเราไม่ใช่ของคนอื่นให้ดูตรงที่จุดลมสัมผัสกับร่างกายเวลาเข้าหรือเวลาออก เราก็ไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามออกให้อยู่จุดเดียวเพื่อใจจะได้นิ่งถ้าตามเข้าตามออกใจก็จะไม่นิ่งเมื่อไม่นิ่งมันก็จะไม่สงบยงน้นหาจุดใดจุดหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ลมได้บางท่านก็ใช้กลางหน้าอกก็ได้ที่เขาเรียกว่ายุบหนอพองหนอนี่เขาดูที่หน้าท้องหน้าอกกันเวลาหายใจเข้าท้องก็พอง อ, อกก็พองขึ้นมา เวลาหายใจออกมันก็ยิบยุบเข้าไปยังมีคำว่ายุบหนอพองหนอออกมาแต่ถ้าเราใช้ปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาแล้วก็เฝ้าดูไปเฉยๆท่านเองให้เป็นที่ผูกใจถ้าไม่ผูกใจก็จะลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าคิดอยู่มันก็จะไม่ไมสงบแต่ถ้าดูเฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลม ลมจะสหาบจะละเอียดจะสั้นจะยาวให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องลมแม้แต่ลมหายไปก็ให้รู้ว่ามันหายไปมันหมดไปอย่าไปปรุงแต่งว่ามันหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะตายหรือเปล่าถ้ายังมีสติยังรู้อยู่นี้ท่านบอกไม่ตายคนที่ดูลมมาไม่รู้กี่ล้านกี่แสนคนแนละ้วไม่มีใครตายจากการดูลมแล้วลมหายไปลมหายไปแล้วมันมักจะตามมาด้วยความสงบจิตมันจะรวม เพราะจิตมันละเอียดเต็มที่มันจึงจับลมไม่ได้พอจับลมไม่ได้ปั๊บท่านเรารู้เฉยๆว่าครับประคองความรู้นั้นไว้เดี๋ยวมันก็รวมเข้าสู่ความสงบต่อไปมันจะวุบลงไปแล้วก็สงบเย็นสบายมีความสุขตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรตอนนั้นเป็นเวลาเสวยความสุขปล่อยให้มันสงบให้มันเต็มที่ไม่ต้องเจริญปัญญาในช่วงนั้นนะการจะเจริญปัญญาต้องรอให้จิตถอนออกจากความสงบก่อน การถอนก็คือออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายออกมารับรู้เรื่องความคิดปรุงแต่งเริ่มมีความคิดปรุงแต่งนี้เราก็อย่าปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งคิดไปในแบบเดิมเพราะความคิดปรุงแต่งรอะเราแบบเดิมมันจะคิดไปในสู่ความอยากต่างๆให้เราคิดไปสู่ความไม่อยากด้วยการคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา แล้วต่อไปมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าหยุดความอยากได้ความสงบที่เราได้จากสมาธิมันก็จะคงอยู่ต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิแต่่เพราะว่าหนูทำขั้นตอนของหนูกลัวว่าจะผิดสเต็ปเช้ค่ะสวดมนต์เสร็จอ่าทุสานน้อยลงดูอวัยวะผมถึงปลายนิ้วเท้าขึ้นไปสงบ อ, อีกขั้นหนึ่งคราวนี้ก็จะเพ่ง เพ่งเนี่ยมันจะมีปัญหาคือเอ่อจมูกเนี่ยะคะ่ะแต่หูวพ่อบอกว่าอ่าไม่ดูจมูกให้ดูลมหนูก็เกรงว่าเคยดูลมแล้วมันมันมันไม่ใช่จลิตเราก็ดูอาการสามสิองอาการได้อาการหนึ่งก็ได้ค่ะก็ดี เ, เพ่งจมูกเนี่ยคะ่ะเราจมูกเนี่ยเพ่งไปปุ๊บเป็นอณุโตมีแบบว่ากอสอณุโตมีค่ะ แล้วก็บบเป็นจมูกพระพุทธเจ้าแล้วกลับไปกลับมาไม่ต้องให้เป็นอย่างเดียวอย่าไปหาาให้ันไปย้ายมันเปลี่ยนอย่าไปดูจมูกมันไม่อาการที่สองนี่ไม่ใช่จมูกอให้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างใดอย่างหนึ่งอวัยวะชิ้นใดชิ้นหนึ่งค<า>จะดูปอดก็ได้ดูหัวใจก็ได้ดูโครงกระดูกก็ได้ดูเป็นโครงกระดูกทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อเป็นเป็นกระโหลกศรีรษะก็ได้ ท, ทั้งหมดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ชิ้นเดียวก็ได้ทั้งอ๋อค่ะ เรอย่าไปให้มันเปลี่ยนให้ให้ดูมันไว้อย่างนั้นอย่าไปปรุงแต่งถ้าเราถ้าเราไปปรุงแต่งมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลายเป็นกระดูกของคนนั้นคนนี้ขึ้นมาตอนนี้เราไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนเราต้องการให้มันนิ่งก่อนส่วนการเปลี่ยนนี่ทีหลังขั้นวิปัสสนาเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นเศษกระดูกไปเวลาถูกเผาปั๊บมันก็เหลือแต่เป็นเศษกระดูกเป็นขี้เถ้าไปแต่ตอนที่ดูสมาธินี้ยังไม่ต้องการที่จะให้ไปทําลายมัน ให้ให้มันคงมันไว้อยู่ให้มันเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งก่อนขั้นของสมาธิต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งแต่พอขั้นปัญญานี่เราสามารถเล่นกับมันได้เลยพริกแพงเอถอดกะโหลกถอดแขนถอดขาถอดเนื้อถอดถอดมือถอดอะไรออกมาวางไว้เล่นกับมันก็นกได้มาตีเอาเอาก็ะดูกมือมาตีกระโหลกศีรษะก็ได้ <laughs> แต่ใ น, นที่จะต้องให้มันลงไปที่ดินน้ํำนมไฟให้มันเป็นอนิจจังให้ดูตรงนั้นเป็นหลักส่วนเรื่องที่สองค่ะหนูฟังหลวงพ่อเทศหนูก็ยังยังเป็นความจําอยู่นะจ๊ะฮะที่บอกว่าล้าขันห้าที่ขันห้าบอกว่ามันมีสเต็ปของมันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเช้ค่ะแต่พอเทศหลวงพ่อเทศหลวงพ่อบอกว่าอารูปวิ ญ, ญญาณก็รับรู้มันก็ไม่เป็นไปตาม ที่ว่าแล้วเจค่ะขันห้ามันอยู่ที่ตรงนี้รูปก็คือร่างกายเราต้องพิจารณาร่างกายเพื่อปล่อยวางมันว่ามันต้องตายมันต้องกลับไปเป็นดินน้ํำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องแก่ต้องตายนี่คือเรื่องของรูปส่งเวทหรือเวทนาก็ดูว่ามันต้องทุกข์มันต้องเจ็บร่างกายนี้ไม่ช้าก็เหร็อมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ความเจ็บของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันไม่เจ็บเราจะไม่ทุกข์เราปฏิบัตินี้เพื่อต้องการดับความทุกข์เกี่ยวกับขันห้าก็แก้ตรงสองตัวเนี้แก้ที่ร่างกายกับแก้ที่เวทนานี้ก็พอแล้วตัวอื่นมันจะตามมันจะมันจะมันจะเป็นลูกน้องตามไปเองมันจะถูกแก้ไปในตัวของมันเองสัญญามันก็จะเปลี่ยนจากการเห็นว่าเป็นตัวเราของเรากลายเป็นดินน้ำมันก็จะเห็นว่าเป็นดินน้ามันไปไป สังขารมันก็จะไม่คิดปรุงแต่งเพื่อที่จะไปรักษาไปป้องกันร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายมันก็จะสักแต่ว่ารู้ยอมรับความจริงไปยังแค่สองตัวนี้เพื่อนำ้านให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมัน ที่เราวุ่นวายเพราะเราอยากไม่ให้มันเกิดเวลามันทุกข์เวลามันเจ็บอยากจะให้มันหายเวลามันจะตายไม่อยากให้มันตายมันก็เลยทุกข์กันแต่ถ้ายอมรับว่ามันต้องตายอะตายก็ตายไปหาหมอหมอบอกว่าสามเดือนอสามเดือนก็สามเดือ น, อนถ้าใจยอมรับคำจริงจะเฉยจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับคําตัดสินของหมอคําวินิจฉัยของหมออถ้าไปหาหมอตามหมอบอกต้องตาบอดบอด ก, ก็บอดจะทํายังไง ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าหมอวิเศษรักษาไรก็รักษาไปก็อาจจะไปหาดวงตาใหม่มาใส่แทนเ น, นีอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนบางคนมีบุญพอตาเสียก็มีคนบริจากตาหรือคนตายไปเขาบอยจากตาไว้แล้วมันใช้กันได้ก็ได้ตาตาใหม่มาทดแทนตาเก่าก็ได้แต่ทดแทนกี่ตามันที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดี ยิ่งถ้าเรายอมรับความตายแล้วมันจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องไปมันก็ต้องไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองคือการพิจารณาเรื่องของร่างกายเพื่อจะไม่ให้เกิดความทุกข์กับร่างกายไม่ให้เกิดความทุกข์กับความเจ็บของร่างกายคือทุกขเวทนาตอนที่หลวงพอเทศ น, นะคะหลวงพ่อบอกว่ารูป รูปเราวิญญาณก็รับรู้ใช่ไหมเจ้าคะพอวิญญาณรับรู้เสร็จสัญญาความจําเก่าเนี่ยมันก็จะมามาทําให้เกิดการปรุงแต่งคือเป็นสังขารแล้วก็จะเกิดเวทนาขึ้นมานีเจ้าคะ่ะก็เรามาแก้สัญญาไงแทนที่จะว่าเป็นเราเป็นเป็นของเราแล้วก็มาเปลี่ยนว่ามันไม่ใช่เป็นเราไม่เป็นของเราพอาะวอะไรไม่เป็นเราไม่เป็นของเราเราก็ไม่ปรุงแต่งไปในทางความอยากเช่นบ้านของคนอื่นจะไหม้หรือไม่ไหม้เราก็ไม่เลยไปปรุงแต่งใช่ไหม แต่ถ้าเป็นบ้านของเราบร้านมันจะปรุงแต่งขึ้นมาทันทีเราก็ต้องมาแก้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราพอไม่ไม่เป็นของเรามันก็จะไม่ปรุงแต่งไปในทางความอยากสรุปคือต้องแก้ที่สัญญาคือต้งองสัญญานั่นแหละที่เรามาพิจ<น>ารณาทางญญาปัญญาในการแก้สัญญาออจากญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เป็นจากนิจจังสุ ข, ขังอัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ตอนนี้เรามีแต่นิจจังสุขขังอัตตาใช่ไหมเห็นอะไรก็นิจจังไปหมดแต่งงานกันก็ต้องอยู่กันไปตลอดสุขกันไปตลอดเป็นของกันและการไปตลอดบางทีหกเดือนมั่เข้ายังไม่ทันดำไปเป็นคนตัดทางนะอันนิจจังทุก ข, ขงหาหาาังนัตตาเนีหนูแต่ว่ารูปเวทนานี่เป็นเรื่องของกายใช่ไหมเจ้าคะส่วนสัญญาเนี่ยให้แก้เรื่องของใจใช่ไหมเจ้าคะไม่คือเวทนามันเป็นก็เป็นเรื่องของใจด้วย แล้สัญญาใช่เป็นสัญญาเป็นเรื่องของใจทุกเวทนามันก็เป็นเรื่องของร่างกายแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของใจเคราะมันเป็นนามาขันมีใครอยากจะถามอีกไหมคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามเ อ, อเขาเวลาเขาเห็นสุนัขหรือแมวจรจัดแล้วเขาจะรู้สึกทุกข์มากอะค่ะจะทําอย่างไรดีคะ ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นกรรมของสัตว์ไปคนเรามเคยทำบุญทำบาปมาพอถึงเวลาก็ต้องรับวิบากไปพวกที่จะประสบกับ ข, ข้อกรรมต่างๆก็ถือว่าเป็นเคยทาบาปทำกรรมมาในอดี ต, ตปัจจุบันก็เลยจะต้องมารับใช้ผลบาปของเขาถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้ก็ต้องคิดอย่างนี้